อย่าให้ลืมท่าครูการยกมือก็ตามการเดินจงกรมก็ตาม <favorite music> ช่วยให้สติเราคมสติเราคมก็จะสามารถรับรู้รับทราบอย่างรู้ปัจจุบันอารมณ์ได้ ขณะที่สติยังรู้ในปัจจุบันอารมณ์โมหะจะแทรกไม่ได้เพราะเพราะว่าเป็นปัญญาที่ใดมีปัญญาที่นั้นมีความหลงไม่ได้อันนี้คำว่าปัญญาเนี่ย ปัญญาที่จะละกิเลสได้เนี่ยปัญญาที่จะพอกคูณถึงขนาดมาตัดกิเลสได้เนี่ยจะต้องเป็นปัญญาในปัจจุบันขณะที่ได้เห็นได้รับรู้ขณะที่สติตั้งมั่งอันานเี้ย จะเป็นตัวปัญญาที่แท้จริงของผู้ปฏิบัติ <c oughs> ปัญญาอย่างอื่นที่จำได้คิดได้ฟังมาได้อันนั้นยังเอามาอาศัยเพื่อมีประโยชน์ในการตัดกิเลสไม่ได้ <c oughs> ปัญญาที่จะนำมา ตัดกิเลสได้เราต้องพอกคูณมาจากภาวนามยะปรรยะัญญาขณะหนึ่งขณะหนึ่งขณะหนึ่งที่ยังรู้ตามฐานต่างๆอย่าลืมฐานครูฐานกายในกาย ที่กายในกายอะ่ะมันมีจิตอยู่ด้วยขณะนั้นขันห้าก็ครบบริบูรณ์หมดธว่มฐานธรรมในธรรมเนี่ยเราไม่ต้องไปหาฐานธรรมในธรรมที่ไหนเราอยู่ที่ฐานกายในกาย หรือฐานเวหนาในเวหนาฐานจิตในจิตอันนี้เมื่อสติเราคมมากขึ้นปัญญาเราแก่กล้ามากขึ้นอุปาทานจะน้อยลงความยึดมั่นถือมั่นมันน้อยลงความยินดียินร้ายต่างๆมันน้อยลงมันจะช่วยกันเป็นขบวนการ เมื่อความยึดม li ั่นถือมั่นน้อยลงความยินดียินลายก็น้อยลงเมื่อความยินดียินลายน้อยลงความยึดมั่นถือมั่นก็น้อยลงมันขัดเกลวให้แก่กันและกันตัณหาและอุปาทานขัดเกลวซึ่งกัรการละตัณหาและการละอุปาทานขัดเก่วซึ่งกันและกัน ช่วยหนุนซึ่งกันและกันเมื่อเราปฏิบัติสติปัฏฐานชำนาญขึ death, si wild, ้นอ่ะอุปาทานจะน้อยลงปัญญาจะแจ่มแจ้งมากขึ้นความลุกโทงความสว่างของยานปัญญาจะมีสูง นั้นความยึดมั่นถือมั่นในกายที่กายในกายเวรนาในเวรนาจิตในจิตมันจะลดลง <c oughs> ยานปัญญาจะเห็นว่าสิ่งทั้งปวงจักแต่ว่าธรรมะ <c oughs> ธรรมะเราเนี่ยเกิดตามทวารทั้งหกขณะาตาเห็นรูป หูฟังเสียงจมูกได้กินลิ้นได้รสกายถูกต้องโพธิภพใจกระทบธรรมลมขนาดอทบเนี่นะตามทวารใดทวารหนึ่งขันห้าอยู่ตรงนั้นรูปขันคือที่ตั้งที่ทรงของนามธรรมา เวทนาขันก็คือตัวเสวยอารมณ์ในทวารนั้นๆขณะนั้นขณะหนึ่งของสติที่เราไปอย่างรู้ตามทวารนั้นนั้นสัญญาขันก็คือการกําหนดหมายการกําหนดหมายอารมณ์ว่าไอ้นี่เป็นอย่างนั้นไอ้นั่นเป็นอย่างนี้ไอ้นี่เป็นพระไอ้นั่นเป็นชี นี่เป็นสีเขียวนะั่นเป็นสีแดง <c oughs> ตัวกำหนดหมาเป็นสัญญาขัน <c oughs> สังขารละขันก็คือความปรุงแต่งความคิดได้ความแทรกอารมณ์เข้าไปได้ในขณะกระทบอารมณ์นีน่คือสังขารละขัน <c oughs> วิญญาณขัน ก็คือตัวรับรู้ตัวรับรู้เสียอย่างเดียวคือตัวรับรู้เนี่ยมีอุปาทานมันจริงไม่ใช่วิญญาณที่บริสุทธิ์ไม่สักแต่ว่ารับรู้รับรู้แล้วก็วางไปแต่วิญญาณประกอบด้วยอุปาทาน มารับรู้มาเกิดความหมายมั่นยึดมั่นคุงแต่งเพื่อความยินดีเพื่อความยิน้ายกำหนดหมายาสิ่งนั้นเป็นอย่างนี้สิ่งนี้เป็นอย่างนั้นสเสวยอารมณ์สิ่งที่ชอบก็เข้าไปสเสวยยินดีพอใจเกิดความกระหาย เป็นสุขเวทนาสิ่งที่ไม่ชอบรังเกียจไม่พอใจดิ้นรนไปพากันหนีด้วยทุกขเวทนา <c oughs> อุเบกขาเวทนาของผู้มียังมีอุปาทาน เป็นอุเบกขาที่โดนแทรกไปด้วยอาาัตตาอุปาทานทั้งปวงยึดมั่นถือมั่นเย่อยิงถือดียกตนข่มท่าน <c oughs> อันนี้ <c oughs> <c oughs> ถึงเรียกว่าขันห้าที่มีอุปาทานเนี่ยเป็นปัจจัยแห่งทุกข์ <c oughs> เนี่ยทาในธรรมเนี่ยปรากฏจันทวาลทั้งหกยานปัญญาแยกออกไปเนี่ยจะแยกออกเป็นขันธ์ขันธ์ขันธ์มีรูปรขันธ์นี่เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์แล้วเมื่อยานปัญญาสติเราคมขึ้นไปอีกเนี่ยมันจะรู้ว่า อันนี้คือขันอันนี้คืออุปาทานที่ไปยึดมั่นขันขันต้องทรงไว้เป็นสิ่งมีอยู่แต่อุปาทานต้องทำลาย <c oughs> อุปาทานสังโยชน์ตัวเชื่อมตัวเชื่อมระหว่างอารมณ์ ไม่รับรู้เฉยๆสักแต่ว่ารู้อันนี้ญาปัญญาแยบคายยิ่งขึ้นแยบคายเนี่ยต้องแยบคายเองนะไม่มีใครมาทำให้แยบคายให้ต้องแยบคายจากการปั้นเปืออบรมบ่มสติ จนสติมันคมมันเห็นปัจจุบันขณะชัดเจนเราจะเห็นอาการของกิเลส ต, ตัวเองเห็นอะไรก็ไม่มีค่าเท่ากับเห็นกิเลส ต, ตัวเองนั่นคือว่าเราจะเห็นเราจะรู้ว่าสิ่งนี้คือขันสิ่งนี้คืออุปาทาน <c oughs> อ น, นี้ธรรมะที่เกิดกับจิตน่ <c oughs> ขันห้าเนี่ยปากฏทางทวารทั้ง6กประจิงอยู่ <c oughs> แต่ธรรมะที่จะมีอิทธิพลมากๆ ก็คือสังขารละขันตัวปรุงแต่งให้ดีให้ชั่วให้บุญให้บาป <c oughs> สังขารละขันเนี่ยพระภูมิพระภาคแยกออกให้เห็นเป็นนิวรพวกหนึ่งเป็นโพชฌงพวกหนึ่ง <c oughs> นิวรคือป่ายที่จะขวางกั้นไม่ให้ผู้ปฏิบัติจเจริญรุ่งเรืองในธรรมป่ายโพธงเป็นป่ายที่เสริมเกื้อนหนุนช่วยเหลือให้ผู้ปฏิบัติจเจริญในธรรม อันเนี้ยเราก็ต้องมาอย่างรู้ต้องสามารถควบคุมได้ต้องรู้ขณะมันเกิดขณะมันดับ <c oughs> ขณะนิวรเกิดเนี่ย <c oughs> มันก็ทำ้ายจิตเราพอสมควร <c oughs> <c oughs> แต่ถ้าเราเกิดไปยึดมันเนี่ยมันจะทำร้ายเรายิ่งมากยิ่งขึ้นเพราะธรรมชาติของนิวรณนเป็นสิ่งที่เกิดดับตั้งอยู่ขณะหนึ่งแล้วก็ดับไป บุคคลผู้ย่างรู้เห็นว่านิวรณเกิดในจิตตนเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยจะรู้สึกว่าเป็นปัญหาเป็นปัญหามากเลยเครียดสึกเป็นทุกข์ที่นิวรณเกิด นี่ความจริงนิวนมาเกิดดับท <c oughs> ีนั้นปัญหาที่ว่าเราเป็นที่เราว่าเป็นปัญหาเนี่ยถ้าเราถ้าเราอย่างรู้ด้วยสติด้วยปัญญาเนี่ย <c oughs> จะรู้สึกว่าปัญหาเนี่ยไม่ใหญ่ซะแล้ว ว่าปัญหาเราเนี่ยคือความเกิดดับมันมีแล้วไม่มีมันผ่านมาแล้วผ่านไปนั่นเราจะต้องตั้งสติและปัญญายาณอย่างรู้และมีอุเบกขา ไม่ติดไม่เป็นทุกกับมันขณะนิวรันเกิดนี่อันนี้คือทำในธรรมบดหนึ่งที่พระผู้มีภาคต้องการให้ผู้ปฏิบัติแยกคายแจ่มแจ้ง อยู่กับมันแต่ไม่เดือดร้อนกับมันกิเลสทั้งปวงคือความเกิดดับเพี่นั้นเมื่อเรามารู้เรื่องนี้กิเลสทั้งหลาย ก็ไม่น่ากลัวแล้วนะนันแต่เราต้องสร้างสติของเราให้คมไปยังรู้มันในปัจจุบันขณะขณะที่มันเกิดนั่นแหละอันนั้นแหละเป็นประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติ ธรรมะอีกหมวดหนึ่งที่พระผู้มีพภาคทรงแยกมาให้ก็คือพุทชงสติธรรมะวิจยะวิริยะบิติปัสสัทิสมาธิอุเบคาพวทชงทั้งเจ็ดองเนี่ยเป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติ สมควรสร้างให้เกิดในจิตเพราะเป็นองค์ธรรมแห่งการตัดรู้ <c oughs> เป็นองค์ธรรมที่เกื้อกูลการรู้แจ้งเห็นจริงเป็นองค์ธรรมที่ <c oughs> <c oughs> เป็นคุณเกื้อหนุนแห่งการบรรลุอริยมรรคอริยผล <c oughs> อันนี้ของทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าดีปานใดอะถ้าเราใช้ไม่ถูกนี่จับไม่ถูกที่เป็นโทษอี่เหมือนกันสติก็เป็นที่ปาธนาในที่ทั้งปวมขณะเราสร้างโทษชง องแห่งตัดรูขเนี่ยต้องมีสติอย่างรู้เข้าใจธรรมชาติของโพชฌงันมันไม่เที่ยงธรรมะฝ่ายกุศลทั้งหลายที่เกิดในจิตของเราเนี่ยมันไม่เที่ยงอย่าไปฮึกเหิมอย่าไปลำพอง อย่าไปเ ย, ยื่อยิงอย่าไปถือดีอย่าไปปรับเพ้่มเพราะอาศัยมัน <c oughs> บุคคลผู้สติผู้ไม่ฝึกสติอย่างรู้ในปัจจุบันอารมณ์จะหลงเพิดเพลิน เพิดเพลินด้วยความปื้มด้วยความยึดมั่นถือดีพอเราเยี่ยมแล้วเพราะไม่เห็นความเกิดดับสิ่งทั้งปวงเป็นความเกิดดับไม่มีอะไรให้หน่าเยื่ยยิงให้หน่าถือดี ให้หน้าเอาเป็นข้ออ้างที่จะยกว่าตัวเองเยี่ยมกว่าใครเพราะว่าสิ่งท้งปวงไม่เที่ยงมันเกิดดับเราอย่างสติให้คมอย่างสติให้มั่นคง เราจะเห็นเมื่อสิ่งทั้งปวงไม่เที่ยงเมื <c oughs> ่อสิ่งทั้งปวงไม่เที่ยงเนี่ยเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์เ <c> ม <oughs> ื่อสิ่งไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาควรหรือที่บุคคล ผู้มีปัญญาจะเข้าไปยึดว่าเป็นตัวเราว่าเป็นของเราว่าเป็นตัวตัวตนของเราไม่ควรยกเว้นแต่เรายังไม่มีปัญญาจับเพธรมะอนัตตาสิ่งข้างกวงไม่ใช่ตัวเรา เพราะขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยบังคับบัญชาไม่ได้ฝืนปาถนาว่าไม่ฟังบอกไม่ได้บอกไม่เชื่อ <c oughs> เมื่อสิ่งทั้งปวงเป็นอนัตตาจะจิตมีอุปาทาน ไปยึดไปแบกบไปหาสิ่งเหล่านั้นด้วยความยึดมั่นถือมั่นนั่นแหละคือความพินาศที่ผาใหญ่หลวงของทุกจิตวิญญาณทุกจิตวิญญาณที่มีอุปาทานไปยึดในสิ่งที่เป็นอนัตตา ว่าเป็นของเรานั่นแหละคือความพิน้าที่ผายใหญ่หลวงของทุกขกิจวิญญาณที่ยึดมั่นหนักนักต้องวางเสียร้อนนักต้องวางเสียทุกนักต้องวางเสียเมื่อมีญาณปัญญาเห็นโทษต้องคิดสละ ต้องเอาจาคะเข้ามาใส่จิตตัวดับทุกตัวทุกวิโรดดับทุกเป็นนิพพาน <c oughs> ตัวนิพพานก็คือจาโคตัวสลัตัวละปฏตินิสตะโคสลัดคืน หลักคือธรรมชาติไปเนี้ยอย่าเอามาแบกมาหามาเป็นตัวกูของกูมุตติหลุดพ้นหลุดพ้นจากตันหาความทยานอยากในสิ่งที่เป็นโทษเป็นภัยอนาลโยไม่อะไร ไม่อะไรต่อสังขารทั้งปวงเห็นว่าสังขารทั้งปวงควรละควรวางเพราะว่ามันเป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้ว่ากล่าวไม่ฟังฝืนความปรารถนาว่าไม่เชื่อ ทั้งรูปธรรมนามธรรมเป็นเช่นเดียวกันรูปธรรมกายยาวาหนาคืบกรอบด้วยผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอน็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับทงมางผึกม้าม ปอดไ้ใหญ่ไซน้อยอาหารใหม่อาหารเก่ามันสมองดีเลธน้องเลือดเงือน้ำมูกไขข้อเยี่ยว <c oughs> ประกอบด้วยเอ็นใหญ่เก้าร้อยเอ็นน้อยเก้าพันมันมาทำเข็นใจ <c oughs> ให้ร้อนให้เย็น เมื่อยขบทั้งตัวผนคิ้วก็ขาวในตาก็มัวเส้นผมบนหัวดำแล้วกลับหงอหน้าตาวาววอกดูหน่าบัตรสีจะลุกเกาะโอยจะนั่งเกาะโอยหนดอกไม้โรยไม่มีเกสรอยากเข้าที่นอนถึงสอนภาวนา พระอนิจังพระอนัตาเราท่านเกิดมาลังแต่จะตายผู้ดีเข็นใจก็ตายเหมือนกันเงินทองทั้งนั้นมิติดตัวไปตายไปเป็นผีลูกเมียผัวรักเขาชับหน้าหนีเขาเหม็่นซากผีป่วยเน่าผู้ทอง หมูยากินน้องเขาหามเอาไปเขาวางลงไว้เขานั่งร้องไห้แล้วกลับคืนมา <c oughs> เมื่อตอนหนุ่มตอนสาวอะไรก็ดีไปหมดแต่ความไม่เที่ยงก็เกิดขึ้นเห็นกันเห็นกันเองความเป็นจริงปรากฏ บอกกล่าวให้รู้วนมันไม่ใช่ของเราควรเบือนนายควรคายกำหนัดควรหลุดพ้นควรเจริญสติปัฏฐานเพื่อจะเป็นเครื่องมือในการละในการวาง นอกทุกจากสติปัฏฐานแล้วเนี่ยไม่มีเครื่องมือไม่มีเครื่องมืออะไรแล้วที่จะมาช่วยให้เราละวางขันห้ารูปธรรมนามธรรมที่ทุกเดือดร้อนแสนสาหัสแสนเขน็อย่างสาหัสสากัน ในสายตาผู้มีธรรมจักสุเนี่ยจะเห็นขันห้าเป็นทุกข์เป็นโทษเป็นภัยเป็นหัวฝีเป็นลูกศอนเป็นความทุกข์ยากเป็นความลาบากเป็นความเดือดร้อนเป็นความเจ็บปวดเป็นความไม่มีที่ตานทานเป็นความไม่มีที่พึ่ง เป็นความอิงอาศัยไม่ได้ยึดไม่ได้ยึดไว้ก็ร้อนยึดไว้ก็ทุกข์เข็นมียานปัญญาเห็นนมันก็ยึดไม่ได้นานแต่สติเนี่ยที่เราฝึกเนี่ยจะมีค่าอย่างยิ่ง เพราะเป็นสิ่งที่จะนําญาณปัญญาที่จะชำรกกิเลสมาให้แก่เราขันธสัญารของเราแรกเริ่มเดิมทีเป็นผู้มีกิเลสหนาเป็นผู้ปัญญาซามแต่มาเราฟันเปืืออบลม เรสติปัฏฐานอันเป็นเอกายนามักทางสายเอกเป็นไปเพื่อบุคคลผู้เดียวสไปสู่ที่แห่งเดียวคือพระนิพพานเนี่ยจิตวิญญาณที่เคยมากด้วยกิเลสเนี่ย จะจะเบาบางไปเพราะยานปัญญาแก่กล้าขึ้นเรื่อยๆเพราะนั้นจึงเป็นเรื่องดีอย่างยิ่งเป็นความโชคดีอย่างยิ่งของพวกเราทั้งหลายเนี่ยได้มาอยู่ในสำนักที่ชักจูงชักชวนกัน ให้ฟันเสืออบรมบม่มอินซีในสติปัฏฐานเป็นเป็นคุณค่ามากเนี่ยดงนั้นสรุปว่าสติปัฏฐานเนี่ยจะมีประโยชน์อย่างยิ่งแก่จิตวิญญาณขันธ์สันดานของเรา มีค่ามากเพราะนั้นควรอย่างยิ่งไม่คุที่เราจะควรอย่างยิ่งที่เราจะมีความภาคเพียรแม้จะลาบากยากเหนือตานใดไม่ควรทอดทุระแตเป็นการพัฒนาจิตตัวเองและเพื่อเป็นการบูชาพระคุณครูบาอาจารย์โอกาสนี้ก็ ได้มีโอกาสมาให้คติธรรมเล็กๆน้อยๆแก่ท่านผู้ปฏิบัติธรรมถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่ง<อ>ท้ายที่สุดแห่งการเทศนาขออาราธนาคุณพระศรัตนไตจจงคุ้มครอง